ความยุ่งยากทั้งหมดที่เกิดขึ้นในคืนวันนั้นจะโทษใครไม่ได้เลยนอกจากไอ้กริวันนั้นเป็นวันอาทิตย์เราไปเล่นกอล์ฟกันที่สนามแถวเขื่อนสุดินทอนเล่นเสร็จก็ไปหาอะไรรับประทานกันที่เรือนแพในแม่น้ำโขงที่อำเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีตรงนั้นเป็นจุดที่แม่น้ำโขงบรรจบกับแม่น้ามูล ผมบอกกับมันตั้งแต่ยังไม่มืดว่าต้องรีบกลับเพราะว่าผมต้องตื่นแต่เช้าไปทำงานจะมีผู้หลักผู้ใหญ่จากกรุงเทพไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ผมสอนอยู่ก่อนเลิกงานเมื่อเย็นวันศุกร์อาจารย์ใหญ่ก็ย้ำนักย้ำหนาว่าวันจันทร์ห้ามใครมาสายหรือว่าขาดการสอนเป็นอันขาดโดยเฉพาะผมซึ่งเป็นครูที่รับผิดชอบกิจกรรมนอกหลักสูตรของเด็กนักเรียนทั้งโรงเรียนและจะต้องเป็นผู้บรรยายสรุปให้กับคณะที่ไปเยี่ยม เอกรีดทำท่าติดลมตั้งแต่เบียร์ขวดที่สองทำท่าไม่รู้ร้อนรู้หนาวเพราะไม่มีธุระอะไรในตอนเช้าแบบผมมันเป็นพนักงานธนาคารระดับหัวหน้าฝ่ายถึงไปสายบ้างก็ไม่มีใครว่าอะไรเราเป็นคนโสดทั้งคู่ในตอนนั้นจึงไม่ต้องมีห่วง สาเหตุอีกอย่างหนึ่งที่ผมเร่งรีบให้กลับก็เพราะว่าตอนนั้นฝนที่ตั้งเ้าครึ้มมาตั้งแต่ตอนเย็นทำท่าว่าจะตกนึกถึงเส้นทางขากลับของเราเกือบ200กิโเมตรแล้วเราสองคนไม่ควรออกจากที่นี่ให้ดึกจนเกินไปราวหนึ่งทุ่มผมรีบเรียกให้เก็บเงินค่าอาหารและลูกจัดโต๊ะกำลังจะเดินกลับเอ้กริชก็เห็นเพื่อนกลุ่มใหญ่ที่นั่งอยู่ในร้านด้านในก่อนแล้วมันเดินไปทักทายพวกนั้นสักพักหนึ่งก็มีเสียงเรียกร้องให้เราสองคนนั่งร่วมวงต่อ จะรีบไปไหนกันวะเพงทุ่มเดียวเองจากที่นี่ไปมุกสองชั่วโมงก็ถึงแล้วมาๆมาๆม า, ม า, มานั่งกินกันก่อนเพื่อนมันคนหนึ่งในกลุ่มขยันขยอไอกริดหันมามองหน้าผมราวกับจะขอความเห็นชอบผมจะขัดคอก็ดูจะเสียมารยาทเพราะว่ายังไม่คุ้นกับคนกลุ่มนั้นจริงอยู่ว่าทางโขงเจียมไปถึงตัวจังหวัดมุกดาหารที่ผมอยู่นั้นขับรถราวสองสามชั่วโมงก็ถึงแต่ว่าเส้นทางเรียบไม่น้าโขงสายนั้นคดเคี้ยว และยิ่งในตอนกลางคืนแทบไม่มีรถผ่านไปผ่านมาเส้นทางสายนั้นใครก็รู้ว่าเปลี่ยวยังกับอะไรดียิ่งในตอนนั้นเป็นเส้นทางที่พวกลักลอบค้าสิ่งผิดกฎหมายใช้เดินทางไปมาระหว่างชายแดนไทยลาวอีกสักขวดว่าถักกลัวกูเมาเดี๋ยวมึงขับมันส่งเสียงดังแล้วก็แนะนำผมกับเพื่อนๆในกลุ่มทั้งหมดเป็นพวกพนักงานธนาคารที่มาจากอุบลเพิ่งกลับจากเข้าไปเที่ยวในฝั่งลาวกันมา คุยกันไม่นานก็เริ่มถูกคอและในที่สุดร้านนั้นก็เหลือแค่กลุ่มพวกเราอยู่โต๊ะเดียวกว่าจะออกจากร้านได้ก็เกือบสามทุ่มที่จริงถ้าเจ้าของร้านเขาไม่มาบอกว่าจะปิดร้านพวกเราก็ยังคงนั่งแช่กันอยู่อย่างนั้นเอกริตก็เริ่มอ้อแอจากกริซเบียร์ที่ดื่มไปก็ไม่รู้ว่ากี่แก้วส่วนผมพยายามไม่ดื่มมากเพราะรู้ว่าจะต้องขับรถร่ำลากันเสร็จเรียบร้อยก็ขับรถย้อนกลับมาทางที่จะตรงไปสู่อำเภอชานุมานถนนสายนั้นมืดสนิด ไม่มีรถสวนไปมาแม้แต่คันเดียวเจ้าพื้นตัวดีของผมพอขึ้นรถมาได้สักพักหนึ่งก็ส่งเสียงกรนแข่ง ก, กันกับเสียงรถยนต์ออกมาจากโขงเจียมราวครึ่งชั่วโมงฝนก็เริ่มลงเม็ดโปรยๆแล้วก็ตกหนักขึ้นผมเปิดที่ปัดน้ําฝนลดความเร็วลงขับมาอย่างนั้นอีกราวครึ่งชั่วโมงฝนก็ยังคงตกหนักโดยไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเอกรีปยังคงนั่งหลับคอพับโดยไม่สนใจกับเสียงสายฝนที่กระทบกับหลังคารถ ผมเหลือบตามองสองข้างทางที่เป็นป่าละเมาะมืดสนิท ต, ตั้งแต่ออกมายังไม่มีรถสวนมาแม้แต่คันเดียวท่านใดนั้นเองรถที่กำลังวิ่งอยู่ก็กระตุกสองสามครั้งผมเหยียบคันเร่งแทนที่รถจะพุ่งไปข้างหน้ากลับกระตุกมากขึ้นผมลดเกียร์ลงพร้อมกับแตะเบรกก็เริ่มเอกใจเมื่อก้มมองตรงหน้าปัดก็เห็นช่องที่แสดงถังน้ำมันมีไฟแดงโโรเข็มน้ำมันตกลงมาอยู่ด้านต่ำสุด เครื่องกระตุกอีกสองาครั้งผมรีบเหยียบคลัตช์เข้าเกียร์ ว, ว่างแล้วก็หมุนพวงมาลัยลงจอดตรงไหลทางด้านซ้ายถึงตอนนี้เครื่องก็ดับวืดไปอจอดทำไมวะเอ้ยน้ำมันหมดว่ะคราวนี้มันตาสว่างยืดตัวขึ้นนั่งตรงชิบหายแล้วกูลืมบอกมึงให้มึงเติมน้ำมันมันพูดนี่รถมึงแท้ๆมึงน่าจะบอกก่อนนะเว้ยขึ้นมาถึงเนี่ยก็เสือกหลับซะละผมฉุนกึก ก่อนรถออกมามึงก็น่าจะดูซะหน่อยไอ้กริดแก้ตัวเสียงอ่อยเรานั่งนิ่งกันอยู่อย่างนั้นครู่ใหญ่ผมไขกระจกข้งลงเล็กน้อยเพื่อให้อากาศภายนอกเข้ามาในรถรู้สึกถึงเม็ดฝนที่กระเซ็นเข้ามาแล้วนี่เราถึงไหนแล้ววะผมยกนาฬิกาพรายน้ำบนข้อมือขึ้นดูเวลาตอนนี้สี่ทุ่ม20เราออกจากขงเจียม3ามทุ่มผมบอกอยางนั้นก็เกือบถึงชานุมานแล้วละ่ะ เฮ้ยยังอีกไกลกูขับช้ามากฝนตกตลอดทางผมบอกเรามองฝ่าสายฝนออกไปทางด้านซ้ายไม่เห็นมีอะไรนอกจากแนวไม้ที่ดำตะคุ่มอยู่ท่ามกลางความมืดเสียงไอ้กรีดถอนหายใจผมนึกว่าเจ้าประคุณเอ้ยขอให้มีรถยนต์ผ่านมาสักคันหนึ่งแล้วก็นึกเรื่อยเปื่อยต่อไปว่าหากไปไม่ทานโรงเรียนในตอนเช้าวันพรุ่งนี้จะแก้ตัวกับอาจา ร, รย์ใหญ่อย่างไรดีและที่สาคัญคือ ผมเคยมีเรื่องเช่นนี้มาแล้วเมื่อ3เดือนก่อนคราวนั้นผมลากลับบ้าน5้าวันแล้วเกิดติดธุระสำคัญต้องลาต่อติดต่ออาจารย์ใหญ่ก็ไม่ได้ถึงวันที่ลาต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนำคณะไปเยี่ยมโดยไม่ได้นัดหมายพอกลับไปทำงานวันแรกผมก็ถูกอาจารย์ใหญ่ตำหนิในฐานะที่ลาต่อโดยมีเดจแจงล่วงหน้าครั้งนั้นผมโทษใครไม่ได้นอกจากความซวยของตัวเองแต่ว่าคราวนี้จะแก้ตัวอย่างไร เรานั่งนิ่งกันอยู่อย่างนั้นรอให้มีรถยนต์ผ่านมาราว20นาทีต่อมาฝนซาลงก็เหลือเพียงละอองฝนโปรยผมไขกระจกข้างลงอีกรู้สึกถึงความเย็นภายนอกรถเอาไงกันดีวะเนี่ยกูไม่ไดเอาร่มติดมาซะด้วยสิไอกริดพึมพำรรก็ร่มกอล์ฟอยู่ท้ายรถไงเออวะ่ะจริงของมึงแล้วมีร่มแล้วมึงจะทาอะไรล่ะผมยังนึกไม่ออกมองออกไปข้างนอกก็มีแต่ป่าไม่มีบ้านสักหลัง แถมยังไม่รู้ว่าเราอยู่ตรงไหนก็ลงเดินไปหาปั๊มน้ำมันสิวะนั่งคอยอยู่บนรถจนสว่างก็ไม่มีรถมาทางนี้น่ะไอ้กริดเสนอสรุปได้ว่าไม่มีทางอื่นนอกจากทิ้งรถไว้ตรงนี้แล้วเราสองคนก็เดินไปด้วยกันจนกว่าจะเจอบ้านใครหรือมีรถผ่านไปมาให้เราได้ขอความช่วยเหลือได้บ้างเราตกลงกันว่าจะเดินไปข้างหน้าแทนที่จะเดินย้อนกลับเพราะผมยืนยันว่าตอนที่ขับรถมา ไม่ได้ผ่านหมู่บ้านที่ไหนเลยในระยะทางนับ10กิโลเมตรเราลงไปเอาร่มจากถุงก๊อฟท้ายรถขณะที่เรากำลังเดินก็เห็นแสงไฟรถยนต์มาแต่ไกลบนถนนผมใจชื้นขึ้นมาทันทีขณะที่ไฟรถคันนั้นใกล้เข้ามาเราสองคนเดินอ้อมไปยืนหน้ารถโบกไม้โบกมือรถคันนั้นชะลอความเร็วแล้วก็จอดไหลาทางฝั่งตรงข้ามเป็นรถกระบะแบบใช้งานทั่วไปตามต่างจังหวัดแถบนั้น ด้านหน้ามีคนนั่งอยู่3ามคนพี่ครับช่วยหน่อยครับน้ำมันผมหมดผมตะโกนคนที่ขับรถชะโงกหน้าออกมาเบนซินหรือดีเซลล่ะเบนซินเสียงเอ ก, กรีตที่ยืนอยู่ข้างๆรีบบอกถ้าดีเซลแล้วก็มีติดรถแต่ถ้าเบนซินเนี่ยต้องไปหาซื้อมีถังอะไหลไ่มาด้วยหรือเปล่าคนขับรถมีท่าทีระมัดระวังตัวซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจในยามดึกแล้วก็บนเส้นทางที่ไม่ค่อยจะมีคนใช้แบบนี้ ก็เพราะว่าไม่รู้ว่าใครเป็นใครก็ต้องระวังตัวไว้ก่อนไ ม, ไม่มีครับผมบอกสามคนบนรถพูดอะไรกันเบาๆสักครู่หนึ่งแล้วคนที่นั่งริมสุดอีกด้านหนึ่งก็เปิดประตูรถแล้วก็เดินมาทางด้านหน้ารถมาทางเรานับว่าเป็นโชคดีของเราสองคนแบบหนึ่งในร้อยผมยังนึกขอบคุณอยู่จนถึงทุกวันนี้ผมย้อนคิดถึงคืนนั้นครั้งใดก็นึกถึงน้าใจของเจ้าของรถซึ่งผมทราบชื่อภายหลังชื่อว่าทองคา เป็นผู้ใหญ่บ้านมาจากอำเภอดอนตาลยิ่งมารู้ทีหลังว่าที่จริงคืนนั้นแกมีธุระสำคัญเร่งด่วนแต่ว่าแกก็อุตส่าห์เสียเวลาขับรถย้อนกลับมานับ 10-10 กิโลเมตรเพื่อไปซื้อน้ำมันให้เราที่ชานุมานซื้อน้ำมันใส่ถังเสร็จก็เอามาส่งที่รถแล้วก็ยังช่วยเอาน้ำมันจากถังแกนลอนพลาสติกเติมรถให้พวกเราโดยใช้สายยางเส้นเล็กๆ เ, เติมน้ามันเสร็จก็ยังรอดูจนเห็นว่าเราสตาร์ติดแล้วถึงได้เดินทางไป กว่าจะเสร็จก็เที่ยงคืนกว่าขณะที่ผมกําลังนั่งตรงคนขับเอกริตกาลังเก็บร่มแล้วก็ข้าวของงอื่นๆลงท้ายรถตอนนั้นฝนหยุดสนิทรอบๆตัวเราเงียบสนิทนอกจากเสียงเรไรแล้วก็เสียงแมลงกลางคืนอันเป็นธรรมดาของภูมิประเทศแถบนั้นเฮ้ย hey, ลงมาก่อนต้องถ่ายเก็บไว้เป็นที่ระลึกหน่อยวะ่ะมันชูกล้องถ่ายรูปที่หยิบมาจากท้ายรถเอกริตเป็นนักถ่ายรูปสมัครเล่น อาชีพหลักเป็นพนักงานธนาคารก็จริงแต่ว่าชอบถ่ายรูปเป็นชีวิตจิตใจถึงขนาดมีห้องมืดที่บ้านมันมีฝีมือทางการถ่ายรูปเคยเอารูปวิวทิวทัศน์สวยๆที่ล้างอัดขยายใหญ่มาให้ผมใส่กรอบไว้ดูเล่นพ่อผมเปิดประตูลงรถมันดึงแขนผมไปด้านหนึ่งมาทางนี้มาทางนี้มายืนข้างๆรถเนี่ยประวัติศาสตร์ช่ไหมึงประวัติศาสตร์อะไรของมึงวะออก็วันที่เราเกือบต้องนอนกลางป่ากันไง ไอกริดพูดแล้วก็หัวเราะพร้อมกับง่วนอยู่กับการปรับปุ่มกล้องในมือพอผมเดินไปพิงประตูรถไฟแฟลชก็สว่างแวบเอา้าถ่ายให้กูด้วยไม่ต้องปรับอะไรทั้งนั้นรอให้ไฟเขียวๆตรงหลังแฟลชขึ้นก่อนก็แล้วกาันแล้วก็กดตรงนี้นะมันเดินมาพร้อมกับส่งกล้องให้ผมพร้อมกับอธิบายแล้วก็เดินไปยืนพิงรถผมรับกล้องเสร็จก็เดินถอยออกไปถ่ายรูปจากนั้นเราก็ออกเดินทางคราวนี้มันขอเป็นคนขับเอง คืนนั้นกว่าจะแยกกันที่บ้านพักของผมที่มุกดาหารก็เกือบตีสามผมรีบอาบน้ำเข้านอนตลอดอาทิตย์นั้นผมไม่ได้พบกับเอกริตเพราะว่าต่างคนต่างยุ่งกับงานตัวเองจนเย็นวันศุกร์ตอนโรงเรียนเลิกมันมาหาผมที่ห้องพักครูซึ่งเป็นเรื่องแปลกโดยปกติแล้วเอกริตจะไม่มาหาผมที่โรงเรียนนอกจากบ้านพักมันวางซองสีน้ำตาลลงบนโต๊ะทำงานผมหน้าตาตื่นผมหยิบขึ้นมาดูในซองนั้นมีรูปถ่ายอยู่หลายใบ ผมหยิบขึ้นมาดูผ่านๆเป็นรูปวิวแล้วก็รูปที่มีคนกำลังตีกอล์ฟทั้งหมดเป็นรูปขาวดาซึ่งคงเป็นรูปที่มันล้างอัดที่บ้านตามเคยก็สวยดีนี่วะผมพูดเอกริตดึงรูปทั้งปึกไปจากมือผมเลือกดูแล้วก็ส่งมาให้ผมสองใบมึงดูอะไรนี่สิผมรับรูปสองใบนั้นมาแล้วก็จำได้เป็นรูปที่เราถ่ายกับรถยนต์เมื่อคืนวันอาทิตย์ใบหนึ่งเป็นรูปผมกับอีกใบนึงเป็นรูปเอกรตซึ่งผมเป็นคนถ่าย พอเอามาดูชัดๆถึงกับต้องตกใจรูปของผมที่ยืนพิงรถยนต์เลยออกไปเป็นความมืดรอบข้างเพราะว่าแสงไฟจากแฟลชไปไม่ถึงแต่ที่น่าแปลกใจก็คือในรูปนั้นนอกจากตัวผมที่ยืนพิงรถยนต์แล้วข้างๆยังมีร่างสองร่างยืนขนาบอยู่ไม่ชัดเจนราวกับว่าออกนอกจุดโฟกัสของรูปแต่ก็พอดูออกว่าเป็นร่างของคนแต่งกายด้วยเสื้อแขนสั้นกางเกงสีส้ม ใบหน้าที่พอเห็นเป็นเขาไม่คมชัดแต่เห็นได้ว่ามีตากรวงโบคุณพระช่วยบนกระโปรงหน้ารถยังมีอีกร่างหนึ่งนั่งห้อยขาเห็นชัดว่าเป็นผู้หญิงผมยาวสยายหน้าตาไม่ชัดแต่มีรอยกรวงโบที่เบ้าตาเหมือนกับอีกสองร่างผมสะดุง้งทิกดูรูปอีกใบหนึ่งซึ่งเป็นรูปที่ผมถ่ายไอ้ ก, กริก็มีลักษณะเหมือนกันเป็นแต่ว่าในรูปนี้ผู้หญิงผมยาวที่นั่งอยู่บนกระโปรงหน้ารถ กลับลงมายืนข้างๆผู้ชายด้านขวามือของรูปทั้งสมร่างในรูปนี้ไม่ชัดเหมือนในรูปใบแรกออกเป็นลักษณะเป็นเงาใสาคล้ายจะมองทะลุออกไปด้านหลังได้มึงคิดว่าไงวะมันมองหน้าผมพูดเสียงสะท้านฟิล์มสองรูปนี้ถูกถ่ายมาแล้วมึงลืมหมุนฟิลม์มดันเอามาถ่ายซ้ำไม่ก็เป็นความผิดพลาดตอนอัดรูปแหละผมอธิบายเพื่อที่จะหาเหตุผลแต่ก็ไม่ค่อยตรงกับที่ใจจริงๆคิดเฮ้ย กล้องตัวนี้เป็นกล้องคู่มือที่กูใช้ประจำนะเว้ยแต่ว่าถ้ากูลืมหมุนฟิล์มนะไม่มีทางที่จะถ่ายซ้ำได้และรูปเนี่ยกูเป็นคนล้างอัดด้วยมือของกูเองเลยอ่ะงั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่ะผมพูดไอ้กริดนิ่งไปครู่ใหญ่พูดเสียงแผ่วพอลางรูปเสร็จเมื่อวานนะกูไปดอนตาลไปถึงบ้านผู้ใหญ่ทองคำอ้ารู้จักบ้านกนได้ยังไงอะลูกน้องกูที่ธนาคารคนนึงเป็นคนดอนตาลพาไป พอเจอหน้าแกกูก็ไม่ได้เล่าอะไรให้ฟังมากก็ทําท่าว่าไปขอบคุณแกนั่นแหละแต่ก็ถามว่าตรงที่ที่แกไปเจอเราน้ำมันหมดคืนนั้ น, นอยู่ตรงไหนก็ได้ความว่าเขาเรียกว่าบ้านป่าติ้วออกจากชานุมันไปสัก30กิโลแล้วยังไงวะกูยังไม่ทันถามต่อเลยแกก็บอกว่าตรงนั้นเนี่ยมันเคยมีรถคว่ำตายกันหลายศพคนขับรถผ่านไปดึกๆเจอดีมาหลายคนแล้วผมมองดูรูปในมืออีกครั้งอย่างไม่ตั้งใจ ผลลูกเกลียว